เคล็ดลับของความดับทุกข์พระพรมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทพิคุอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยทานีนุกูลคณิตวิชาคุณญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปฐกาถาธรรมอันเป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันว่างจากงานฝ่ายกายเราก็ชวนกันมาวัดเพื่อทำงานฝ่ายจิตวิญญาณกายกับจิตนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาความเหนื่อยกายก็เกี่ยวกับความเหนื่อยใจด้วยจิตเหนื่อย กายก็พลอยเหนื่อยไปด้วยร่างกายอ่อนแอจิตก็พลอยอ่อนแอไปด้วยเราจึงต้องมีการทำให้มันสมดุลคือให้เกิดความพอดีทั้งฝ่ายกายฝ่ายจิตแต่ว่าส่วนมากเรามักจะสนใจแต่เรื่องของฝ่ายกายไม่ค่อยจะได้สนใจเรื่องทางจิตมากนักเวลาไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเวลามีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้เตรียมตัวทางใจไว ปัญหาที่เกิดนั้นมันก็รุนแรงความจริงเรื่องมันไม่รุนแรงแต่ว่าความรู้สึกของเรามันรุนแรงเพราะเราไม่ได้เตรียมรับสถานการณ์ไว้ก่อนเมื่อระไรเกิดขึ้นมันก็เป็นความทุกข์หนักในชีวิตดังที่เป็นอยู่แค่คนทั่วไปที่ได้เกิดเป็นเช่นนั้นขึ้นมาก็เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนในเรื่องทางจิตทางวิญญาณเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร หรือมาแก้กันในปัญหาเฉพาะหน้าบางทีมันก็แก้ไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าในทางฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องมีการเตรียมตัวเช่นทหารก็ต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาต้องฝึกการรบให้มีความเก่งกล้าสามารถให้รู้จักใช้อาวุธที่จะต้องใช้เข้าใจยุทธวิธีในการที่จะต่อสู้ฆ่าศึก ฝ่ายเสยนาธิการก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อตอนรับสถานการณ์ไม่ใช่ไปเตรียมกันตอนที่มีข้าศึกประชิดเมืองแต่ต้องเตรียมแผนล่วงหน้าไว้ว่าเราจะทําอย่างไรถ้าข้าศึกมาทั้งด้านนั้นมาทางด้านโน้นมาด้านโน้นจะทําอย่างไรหรือว่าข้าศึกสมัยปัจจุบันนี้ไม่ใช่มันเดินเข้ามาเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าเข้าลอยมาในท้องฟ้ามากระโดดร่มลงไปในบ้านในเมือง หรือทางเรือบินทิ้งระเบิดก็ต้องเตรียมไว้ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรเมื่อเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจะต่อสู้อย่างไรจะป้องกันอย่างไรทุกอย่างต้องพร้อมเมื่อมีความพร้อมพอข้าศึกมารุกรานก็พอจะต่อสู้เอาตัวรอดได้แต่ถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมเอาตัวไม่รอดเราก็พ่ายแพ้แกข้าศึกบ้านเมืองก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่น อันนี้เราเห็นได้ง่ายว่าเพราะขาดการเตรียมตัวในด้านฝ่ายโลกียะก็มันเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ทางใจเหมือนกันทีนี้ในเรื่องชีวิตของแต่ละบุคคลถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้พร้อมเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์หนักไม่รู้ว่าจะแก้ความทุกข์นั้นอย่างไรเพราะไม่เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องรุนแรงทั้งนั้นไม่รู้จะแก้อย่างไร แม้จะมาฟังคำพระเทศสอนให้ฟังให้คิดนึกในทางที่จะแบ่งเบาความทุกข์ทางใจก็ทำไม่ได้เพราะไม่ได้หัดทำไว้ก่อนเหมือนทหารที่ไม่ได้ซ้อมรบไว้ก่อนพอออกรบเนี่ยจะไปทำท่ารบได้อย่างไรนักมวยที่ไม่ได้ฝึกการชกไว้ก่อนขึ้นไปบนเวทีก็ทำท่าไม่ถูกต้องป่าที่เขาฝึกได้ดีแล้วก็โชคล้มความขมขงายนับสิบก็ยังลุกไม่ขึ้น อันนี้เป็นการเสียเปรียบในชีวิตเราแต่ละคนนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเตรียมไม่พร้อมเราก็ต้องเสียเปรียบตลอดเวลาเสียเปรียบแก่ข้าศึกที่มาโจมตีตัวเราคือความทุกข์นั่นเองความทุกข์มาโจมตีเมื่อไหร่เราก็เสียเปรียบแก่ความทุกข์เพราะเรานึกไม่ได้ที่จะต่อสู้กับความทุกข์เหล่านั้นไม่มีปัญญาที่จะคิด ไม่มีสติที่จะนึกจะเตรียมตัวเพื่อการต่อสู้เราก็ต้องเสียเปรียบเรื่อยไปเสียเปรียบค่าศึกที่มาโจมตีเราเรื่อยไปอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของคนทั่วไปบางทีเราก็สบายๆในครอบครัวแต่ว่าไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างในครอบครัวของเราถ้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรจะทาอย่างไร นี่ไม่ค่อยได้คิดไว้ก่อนในทางพระท่านถือว่าอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความประมาทก็คือขาดการวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ได้คิดไว้ว่าอะไรมันจะเกิดและเมื่อเกิดขึ้นเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเมื่อไม่ได้เตรียมตัวเขาเรียกว่าถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัว เราอาจจะถูกค่าสึกโจมตีโดยไม่รู้ตัวบ่อยบ่อยพอถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัวเราก็กลับตัวไม่ทันเกิดการตก อ, อกตกใจควัญห น, นีดีฟอเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าในการที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นปัญหาเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั่วไปไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ยอมมีสภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น จึงต้องเตรียมพร้อมในเรื่องอย่างนี้เตรียมพร้อมก็คือเตรียมหาธรรมะไว้ใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวไม่ให้ตกไปสู่สภาวะแห่งความตกต่ำทางจิตใจจึงต้องเข้าวัดฟังธรรมอ่านหนังสือทางศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้ก่อนเมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องเอาความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตของเราต่อไปเอาไปใช้แก้ปัญหา การเรียนรู้กับการปฏิบัติต้องให้สัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติก็เรียกว่ายังไม่เกิดประโยชน์ที่จะใช้ป้องกันความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติเช่นเรามาฟังธรรมก็ดีมาสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นอะไรก็ตามบทสวดมนต์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นบทเตือนใจให้เราได้คิดได้นึก ถึงเรื่องธรรมชาติธรรมดาของชีวิตว่าัรถพสิ่งทั้งหลายนั้นมันมีการเกิดขึ้นเป็นอยู่เป็นไปอย่างไรอะไรเป็นของเที่ยงอะไรเป็นของไม่เที่ยงอะไรเป็นสภาพอย่างไรต้องเตรียมตัวเอามาคิดมานึกไว้บ่อยเวลาสวดมนต์เวลาสวดนั้นสวดรวมกันแต่ว่าเราก็ต้องไปพิจารณาด้วยตัวเองเป็นเรื่องเฉพาะคน ที่จะต้องนั่งคิดนั่งนึกตรึกตรองในคำเหล่านั้นเช่นคำที่เราสวดว่ารูปปู่ปาทานัคขันโธรูปที่เข้าไปยึดถือนั้นเป็นความทุกข์เวทนูปาานคขันโธเวทนาที่เข้าไปยึดถือนั้นเป็นความทุกข์สัญญาที่เข้าไปยึดถือไว้เป็นความทุกข์สังขารที่เข้าไปยึดถือไว้เป็นความทุกข์วิญญาณที่เข้าไปยึดถือนั้นเป็นความทุกข์ เราก็ต้องเอามานั่งคิดพิจารณาว่าเป็นทุกเพราะอะไรเป็นทุกเพราะอุปาทานอุปาทานนั้นหมายความว่าเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอันที่สำคัญก็คือนึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราที่ท่านพุทธทาท่านพูดง่ายๆว่าตัวกูของกู ใครฟังแล้วก็นึกว่าเป็นคำที่ค่อนข้างจะเป็นชาวบ้านมากไปหน่อยแต่ว่าเป็นคำที่ง่ายที่สุดว่าตัวกูของกูคนเรามีตัวกูก่อนแล้วก็มีของกูขึ้นมาในภาษาบาลีเรียกว่าอหังการมัมมังการอหังการคือสาคัญว่าตัวมีตัวเป็นสาคัญว่าตัวเป็นก่อน แล้วก็สำคัญว่าตัวมีสิ่งนั้นสิ่งนี้คือมีตัวสําหรับรองรับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นตัวก็เข้าไปรับเอาสิ่งนั้นรับเอาว่าเป็นของชันขึ้นมาอะไรอะไรมันก็เป็นของชันไปหมดนี่เราคิดไปอย่างนั้นความคิดอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นอุปาทานคือสร้างตัวยึดถือความยึดถือนั้นเป็นตัวอุปาทาน ไม่ว่าเราจะไปยึดถืออะไรสิ่งนั้นมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นยึดถือในเรื่องปัจจัยเงินทองว่าเป็นของฉันมันก็เป็นทุกข์เพราะเงินนั้นรถของฉันบ้านของฉันอะไรของฉันมีมากมายหลายเรื่องหลายอย่างที่อยู่ ร, บรอบตัวนั้นถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันขึ้นมาอีกตัวยึดถือนั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์ขึ้นมา เพราะเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันแล้วก็เกิดความห่วงแหาในสิ่งนั้นไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างอื่นอยากให้เป็นของเราเสียตลอดเวลาถ้ามันเป็นอื่นไปเราก็เป็นทุกข์เพราะเรายึดว่าเป็นของฉันมันก็เกิดความทุกข์เคล็ดของความทุกข์มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นๆให้สังเกตดูให้ดี สังเกตที่ใจของเราถ้าอะไรไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรหรือเราไม่ได้ยึดว่าเป็นของเรามันจะแตกมันจะหักมันจะเป็นอะไรไปเราก็เฉยเพราะมันไม่ใช่เราแต่ถ้าหากว่าเป็นของเราขึ้นมาเข็มเล่มหนึ่งเราก็ยังเป็นทุกข์เพราะเข็มเล่มนั้นเพราะว่าเข็มเล่มนั้นเป็นของฉันเป็นของเราขึ้นมา นี่แหละคือความยึดถือที่พระท่านสอนว่ารูปปูปปาทานขันโธ ร, รูปที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข์ถ้ารูปเฉยๆมันก็ไม่เป็นทุกข์แก่เราแต่มันเป็นทุกข์ตามสภาพของมันหมายความว่ามันทนอยู่ไม่ได้ในสภาพอย่างเดียวมันต้องเปลี่ยนไปเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เทียงมีความเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์โดยสภาพ ไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองนั่นมันคือรูปเรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนเรามักจะลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆไม่ได้คิดในแง่ว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้คิดในแง่ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ได้คิดในแง่ว่ามันเป็นอนัตตาแต่เราคิดว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมา แล้วเข้าไปยึดถือในสิ่งที่เป็นนั้นแล้วก็มีของอื่นเข้ามาประกอบทำให้ความยึดถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีเพียงอย่างเดียวมันก็ยึดน้อยถ้ามีมากความยึดถือมันก็มากขึ้นตลอดเวลาเด็กเกิดใหม่ๆนี่คงจะไม่มีความยึดถืออะไรให้สังเกตดูเด็กตัวน้อยๆเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ยึดถืออะไร ยังไม่มีความยึดมั่นในจิตใจยังไม่มีความรู้สึกอะไรมากนักมีความต้องการก็น้อยคือต้องการนมพอดื่ม น, นมเสร็จแล้วก็หลับไปเท่านั้นเองหลับแล้วก็ตื่นขึ้นถ้าไม่หิวมันก็นอนเฉยเฉยมันไม่ทําอะไรเฉยเฉยใครจะเข้ามาทําอะไรก็ไม่มีอะไรนั่นคือสภาพเด็กอ่อน เราหัดทำตนเป็นเด็กอ่อนทางจิตใจเสียบ้างก็จะสบายเด็กได้เปรียบผู้ใหญ่เพราะเด็กไม่มีความยึดมั่นในเรื่องอะไรต่างๆเด็กมันยังไม่ฉลาดในการที่จะยึดแต่ว่าเราเนี่ฉลาดในการที่จะยึดแต่เป็นความฉลาดที่ไม่ได้เรื่องเพราะฉลาดในการที่จะยึดจะแบกเอามาไว้เป็นของตัวโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราหนักใจทําให้เราเกิดความทุกข์ทางใจ เราไม่เข้าใจเราก็เข้าไปยึดสิ่งนั้นไว้สำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นของเราตลอดเวลาไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางในสิ่งเหล่านั้นเราก็แบกหนักอยู่เรื่อยไปเหมือนกับคำที่พระท่านว่าพาราฮาเวปันจักขันธาขันห้าเป็นภาระอันหนักเน้อหมายความว่าหนักเพราะเข้าไปแบกถ้าเราไม่ไปแบกมันก็ไม่หนักอะไร มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันอย่างนั้นขันห้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามวิถีทางของธรรมชาติถ้าเราไม่เข้าไปยึดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อใดเราไปยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นของฉันขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์เพราะความยึดถือนั้นด้วยตัวอุปาทานศัพทธรรมเรียกอุปาทาน ถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่ายึดมั่นถือมั่นหรือท่านใช้ศัพท์อีกคำหนึ่งว่าอภินิเวะเช่นในพระพุทธภาษิตที่ว่าสัเพธธรรมานาลังอภินิเวสายะอภินิเวสายะก็หมายถึงว่าการยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันกับตัวอุปาทานนั่นแหละแต่ว่าใช้อีกศัพท์หนึ่งว่าอภินิเวสายะแปลว่า เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันขึ้นมาเมื่อเราเข้าไปยึดสิ่งใดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวฉันเป็นของฉันจิตก็เป็นทุกทันทีเป็นทุกเพราะสิ่งนั้นอันนี้เป็นเคล็ดที่เราควรจะรู้ไว้ในใจแล้วก็จะได้ไปแก้ปัญหาชีวิตของเราได้เวลาใดที่เราเป็นทุกเพราะอะไร เราก็ต้องพิจารณาว่าที่ได้เกิดความทุกข์นี่เพราะอะไรเพราะเราไปยึดถือว่าเป็นของเรานั่นเองเป็นของฉันทรัพย์ของฉันสามีของฉันภรรยาของฉันบ้านของฉันรถของฉันรวมไปถึงประเทศของฉันมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าใครไปยึดถืออย่างนั้นความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นยึดถือของน้อยทุกข์มันก็มีปริมาณน้อยหน่อย ใหญ่มันก็มีปริมาณมากยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยแต่ถ้าเราไม่ยึดเสเลยการไม่ยึดก็คือปัญญามีปัญญารู้เท่ารู้ทันในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงคือรู้ว่าอะไรอะไรมันก็มีแต่เพียงสามเรื่องเท่านั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สภาพมันเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งของสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมีความทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นทีนี้คนเราไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดความเข้าใจว่าธรรมชาติแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรเราไม่ได้คิดให้เกิดปัญญา ให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งเพราะอะไรเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นบางทีทุกข์ขนาดหนักทุกจนกระทั่งว่าจะกินไม่ได้จะนอนไม่หลับเอาเลยทีเดียวและถ้าทุกข์มากๆเข้าสภาพจิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปคือจะเป็นโรคทางจิตหรือเป็นโรคทางประสาทอาการทางร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น เพราะเราไม่เข้าใจในเรื่องทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็พูดว่าเราโง่นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเราโง่พอเราโง่แล้วเราก็เข้าไปหาเรื่องที่มันเป็นทุกข์ตลอดเวลาถ้าเรามีความฉลาดเราก็ต้องคิดในแง่ที่จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์มีการคิดที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็ได้ คิดให้เป็นทุกข์ก็ได้เหมือนกันถ้าเราคิดให้เป็นทุกข์ก็คิดด้วยความโง่ความเขลาแต่ถเาเราคิดไม่ให้เป็นทุกข์ก็หมายความว่าเราคิดด้วยปัญญามันมีทางอยู่ตั้งสองทางที่จะให้เราเดินทีนี้เราจะเดินทางไหนเดินทางที่จะคิดให้เป็นทุกข์หรือว่าเดินทางที่เราคิดแล้วไม่มีความทุกข์ญาติโยมลองนึกดู นึกดูด้วยปัญญาของตัวเองถ้าเรานึกดูด้วยปัญญาของเราเองแล้วเราก็จะเห็นว่าเอคิดแล้วไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยมันดีแต่คิดแล้วให้เป็นทุกข์มันไม่ดีเราก็มองเห็นแต่มองเห็นแล้วทำไมเราไปคิดให้เป็นทุกข์อีกทำไมไม่มาคิดในทางที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจของเราทำไมเราไม่คิดอย่างนั้น ความเคยชินนั่นเองเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเรียนรู้แต่เรื่องให้ยึดทั้งนั้นเขาสอนให้เรายึดทั้งนั้นตั้งแต่เป็นเด็กพอรู้เดียงสาเขาก็บอกให้เรารู้ว่าอันนี้ของหนูไอ้นี่ของหนูไอ้นั่นของหนูให้ยึดถือเรื่อยมาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเราสอนอย่างนั้นให้เด็กยึดถืออย่างนั้นไม่ได้สอนให้ปล่อยให้วางแต่ว่าเด็กมันก็รับไว้อย่างนั้น จนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กประถมมัธยมอะไรในโรงเรียนในการสอนต่างๆนั้นก็สอนให้ยึดทั้งนั้นให้รักชาติให้รักประเทศอะไรอย่างนี้สอนให้รักก็คือให้ยึดถือในชาติของตัวในประเทศของตัวแล้วก็ในพระศาสนานี่ก็สอนให้ยึดถือคือไม่ได้สอนให้สมทานเอาไปปฏิบัต มันมีคำคู่กันอยู่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นมาจากคำว่าอุปาทานหรืออภินิเวสายะอีกคำหนึ่งเรียกว่าสมาทานเช่นเราสมาทานศีลก็หมายความว่ารับเอาข้อปฏิบัติไปใช้ในชีวิตของเรานั่นมันไม่ทำให้เกิดความยึดถือเป็นทุกข์ถ้าเราสมาทานด้วยปัญญาเราก็ไม่เป็นทุกข์อะไร เอาไปใช้ให้เกิดความเจริญทางด้านจิตใจเช่นรอสมาทานสินห้าเราก็ระวังใจของเราไม่ให้มีเจตนาที่จะไปฆ่าใครทำร้ายใครไปลักของใครไปประพฤติผิดในทางการมกับใครๆไม่พูดโกหกคำหยาบคำเลวไหลไม่เสพสิ่งเสพติดมืนเมารักษาสภาพใจไว้อย่างนั้นเรียกว่ารอสมาทานสินอยู่ปฏิบัติศินอยู่ไม่ได้เกิดความทุกข์อะไร ไม่ได้ทำใจให้เป็นทุกข์เพราะการสมาทานอย่างนั้นเราสมาทานในเรื่องที่จะทำสมาธิหมายความว่าอธิษฐานใจให้เกิดความมั่นคงทางใจว่าเราจะฝึกสมาธิชั่วเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เช่นจะนั่งทำใจให้สงบเป็นเวลา10นาที20นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสมาทาน เพื่อให้เกิดอาการเช่นนั้นขึ้นมาในใจไม่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เรียกว่าเป็นตัวอุปาทานมันเป็นความตั้งใจที่จะทำในสิ่งถูกต้องสภาพจิตเราจะไม่เป็นทุกข์อะไรแต่ถ้าเราไปทำอาการยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็เกิดเป็นปัญหาเช่นนับถือศาสนานี ก็เรียกว่านับถือเพื่อ น, นำมาใช้เป็นประเบียบสําหรับปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในตัวศาสนาอะไรนิดอะไรหน่อยกระทบไม่ได้เกิดความขัดแย้งกันรุนแรงในระหว่างศาสนาดังที่เราเห็นข่าวบ่อยในความขัดแย้งต่างๆในเรื่องศาสนานั่นก็เป็นความยึดมั่นไปจึงเกิดการกระทาที่เราเห็นว่าเขาทาลายเราอะไรบ้างต่างนานา ความจริงเขาทำลายไม่ได้ตัวธรรมะหรือตัวคำสอนที่แท้จริงนั้นไม่มีใครจะทำลายได้มันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่มีอะไรมาทำลายเหมือนในสมัยหนึ่งที่เขาโฆษณาว่าคอมมิวนิสต์มาศา ส, สนาหมดเขาว่าอย่างนั้นคนก็กลัวกันกลัวว่าคอมมิวนิสต์มาศา ส, สนาจะหมดความจริงนั้นก็หมดไปไม่ได้ ธรรมะมันของอยู่คู่โลกมันไม่หมดไปถ้าตราบใดยังมีคนสมาทานคือเอามาปฏิบัติอยู่ศา ส, สนาก็ไม่หมดไปจากจิตใจคนคอมมิวนิสต์ไม่มาแต่ถ้าเราไม่สมาทานคือไม่เอาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมันก็จะหมดไปจากใจเราแต่มันก็อยู่กับโลกธรรมะยังอยู่กับโลกแต่เราไม่ได้เอามาใช้ เหมือนกับแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ใต้ดินนั่นแหละมันก็อยู่อย่างนั้นแก๊สในอ่าวไทยมันก็อยู่มานานแล้วน้ำมันมันก็มีอยู่อย่างนั้นแรดีบุกทองเหลืองสังกะสีทองคำเพชรนินจินดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็มีอยู่ในโลกอยู่ใต้พื้นพสุธาที่เราอาศัยแต่ว่าเราไม่ได้ไปขุดเอามาใช้มันก็จมดินจมซายอยู่อย่างนั้นเมื่อใดมีคนฉลาดมารู้เข้า ด้วยการพิสูจน์ตามแง่ของวิทยาศาสตร์หรือทางธรณีวิทยาเขาก็รู้ว่าตรงนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้กรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเขารู้หมดรู้ว่าในประเทศไทยมีอะไรบ้างเขารู้แล้วแต่ว่าไม่มีทุนจะทำไม่มีคนที่สามารถจะไปทำก็เลยอุบไปก่อนไม่พูดไม่จาแต่เมื่อมีคนฉลาด มีความสามารถมีเงินทองพอจะใช้ได้มาขออนุญาตรมเขาก็ให้ทำเจาะไปเจาะมาก็เจอเข้าได้สิ่งนั้นมาใช้สิ่งนั้นมันอยู่ในโลกธรรมะนี่ก็เหมือนกันมีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้สมาทานคือไม่ได้เอามาปฏิบัติธรรมะนั้นก็อยู่แต่ลำพังธรรมะยังไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเมื่อใดเราสมาทานธรรมะ เราปฏิบัติธรรมะธรรมะก็คุ้มครองเรารักษาเราให้มีความสุขความเจริญขึ้นให้เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้จะด้วยว่าสมาทานนั้นคือการยอมปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจส่วนความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นการยึดไว้ด้วยความไม่เข้าใจทาให้เกิดความทุกข์ คล้ายกับคนไปกอดสาวไว้เอามือประสานกอดสาวไว้แล้วก็พูดว่าเอาออกอย่างไรมันไม่รู้จะเอาออกอย่างไรมันกอดไว้อย่างเดียวความจริงเอาออกมันก็ง่ายนิดเดียวไม่ยากอะไรแต่ว่าเอาออกไม่ได้มันคล้ายอย่างนั้นคนเราที่ยึดถืออะไรแล้วมันก็ยึดอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวให้เป็นอย่างอื่น คิดแต่ในเรื่องที่จะให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะรู้เช่นอ่านธรรมะรู้ฟังเทพธรรมะก็รู้มาฟังเทศพระสอนในวันอาทิตย์ก็รู้แต่ว่าพอกลับไปถึงบ้านถึงเรือนจิตมันก็เข้ากลับไปสู่สภาวะเดิมเพราะเราเคยคิดในรูปอย่างนั้นเคยนึกในเรื่องอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา วิตกกังวลไปด้วยเรื่องอะไรต่างๆมากมายกายกองในชีวิตของเราสิ่งใดเกี่ยวข้องในชีวิตเราก็นึกไปไกล น, นึกไปว่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆมันก็เกิดเป็นปัญหาทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจทางแก้มันก็คือว่าเราหัดปล่อยหัดวางซื้อบางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไป แต่ว่าก็ควรจะพยายามพูดจากันทำความเข้าใจกันเช่นคนอยู่ด้วยกันนี้บางทีมันก็เกิดปัญหาในครอบครัวสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมีความยึดถือเหมือนกันสามีก็ยึดถือว่าภรรยาของฉันภรรยาก็ยึดถือว่าสามีของฉันถ้าทุกฝ่ายประพฤติรรมมันก็ไม่มีเรื่องอะไรคือถ้าเอาทรรมเข้ามาใช้แล้วเรื่องมันหมดไปเท่า น, นั้นเอง มันไม่มีปัญหาอะไรไอ้ที่เกิดปัญหาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช้ธรรมะไม่เอาธรรมะมาประสานจิตใจของผู้ที่อยู่ร่วมกันให้เกิดเป็นใจเดียวกันใจเสมือนกันไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่เอาธรรมะมาใช้เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นปัญหาฝ่ายหนึ่งสร้างปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งจะคิดอย่างไรถ้าเราเป็นนักธรรมะเราก็คิดก็พูดจา ก, กันบ้าง ทำความเข้าใจกันแต่ว่าพูดกันด้วยใจเย็นๆอย่าพูดด้วยอารมณ์อย่าพูดด้วยความร้อนใจเพราะถ้าพูดด้วยอารมณ์ด้วยความร้อนใจอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เกิดอารมณ์เหมือนกันเกิดความร้อนขึ้นเหมือนกันร้อนกับร้อนมากระทบกันเหมือนหินกับเหล็กเอามาตีกันเข้ามันก็เกิดเป็นประกายไฟเอาปุ๋ยอะไรวางเข้าไปตรงนั้นมันก็ติดขึ้นมา เอาไปใช้ติดอะไรก็ได้เหมือนกันเหมือนคนสมัยก่อนเขาไม่มีไม่ขิดไฟก็ใช้เหล็กไฟภาษาเดิมเขาเรียกว่าเหล็กไฟเพราะมีเหล็กอันหนึ่งชิ้นยาวแค่นี้เป็นเหล็กกล้าอย่างดีแล้วไปหาหินตามภูเขามารูปเหลี่ยมอะไรก็ตามเอามาถึงก็าปุยเตาร้างเนี่ยเตาร้างคือปามชนิดหนึ่งมีกุยเป็นปุยเอามาชุบดินประสิวนิดหน่อย เรามาจับไว้แล้วก็ตีตีเกิดเป็นประกายเมื่อเกิดเป็นประกายก็ติดไฟปุยนั้นแล้วก็เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เหล็กกับหินมันกระทบกันทำให้เกิดไฟชันได้จิตใจคนเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อเราพูดกันด้วยอารมณ์มันก็เกิดกิเลสเพราะต่างคนต่างสะสมแต่กิเลสไว้ในเนื้อในตัวมากมายไม่ได้สะสมธรรมะไม่ได้เป็นคนของพระ แต่ว่าเป็นคนของกิเลสมาตลอดเวลาพอพูดอะไรขึ้นก็ไม่ยอมรับคือไม่เอาตัวจริงมารับแต่เอาตัวปลอมออกรับตัวปลอมนั้นก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเองความรู้สึกนึกคิดที่เป็นเรื่องเข้าข้างตัวเรียกว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเมื่อมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะฟัง ไม่ยอมที่จะรับคำพูดนั้นดันทุรังไปคนเดียวและบางทีก็พูดว่ามันเรื่องของฉันนะเธอไม่เกี่ยวอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องเกี่ยวกันคนเราอยู่ด้วยกันความสุขเนื่องถึงกันความทุกข์เนื่องถึงกันมันก็ต้องเกี่ยวกันเพราะว่าเวลามีปัญหาใครจะมาช่วยคนอื่นที่ไหนใครเขาจะมาช่วย ก็มันเป็นความหนักอยู่ที่ในครอบครัวครอบครัวเนี่ยต้องช่วยกันแม่บ้านทำไม่ดีพ่อบ้านก็ต้องรับผิด ช, ชอบพ่อบ้านทำไม่ดีแม่บ้านต้องรับผิด ช, ชอบมันหนักอยู่ที่คนในบ้านไอ้คนอื่นนั้นเขาสบายเขาเอาแต่ประโยชน์ของเขาได้แล้วเขาก็ปลอไปปลอมาเวลามีปัญหาเขาก็ไม่มาช่วยไม่มารับภาระอะไรภาระมันอยู่กับคนในบ้าน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันคือพูดกันด้วยใจเย็นใจสงบทำอารมณ์ให้แจม่มใสแล้วก็พูดกันด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสนั้นอย่าให้เกิดความคุณมัวเศร้าหมองใจคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งก็ต้องรับฟังรับฟังด้วยจิตใจที่สงบระวังอย่าให้เกิดกิเลสอย่าให้เกิดความโกรธอย่าให้เกิดความหลงอย่าให้เกิดความสาคัญผิดว่าฉันเป็นอย่างนั้น ฉันเป็นอย่างนี้ไม่ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นทำใจให้ว่างยอมรับฟังด้วยดีในคำที่เขาพ ร, รารบออกมาแล้วก็มองดูตัวเราว่าตัวเรามีความผิดมีความบกพร่องมีการสร้างปัญหาขึ้นอย่างไรเมื่อเห็นอกเห็นใจกันเพราะอยู่กันมานานมีลูกมีเต้ามีอะไรเป็นหลักเป็นฐานก็ควรจะระ ง, งับยับยัง้งควบคุมตัวเองให้เกิดความคิดนึก ในทางที่ถูกที่ชอบเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตจิตใจเข้าหาสิ่งถูกต้องโดยถือหลักประจําใจว่าเราจะอยู่โดยไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครๆเช่นอยู่ในครอบครัวอยู่โดยไม่สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวอยู่โดยไม่สร้างปัญหาแก่สังคมหรือไม่สร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นในวงงานวงการที่เราเข้าไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าเราคิดอย่างนั้น เรื่องมันก็พอจะเบาลงไปได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความหนักอกหนักใจแต่เรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตจริงๆแม้จะได้มาฟังธรรมอยู่ในวันอาทิตย์หรือได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่บ้างก็เพียงแต่สักว่าฟังเพียงสักว่าอ่านแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันแบบที่เรียกว่าเข้าหูซ้ายออกหูขวา เข้าหูขวาออกหูซ้ายฟังเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปจิตใจก็กลับไปสู่ภาวะเดิมต่อไปยังไม่ได้ผลคุ้มค่าจากการเรียนการอ่านธรรมะยังแท้จริงคนเราทำอะไรนี่อย่าเห็นแก่ตัวแต่ต้องเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นอุดมการของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราอยู่เพื่อไม่ให้ใครเป็นทุกข์อยู่เพื่อไม่ให้ใครเป็นทุกข์ ในวงแคบก็คือในครอบครัวเรามีชีวิตเป็นอยู่โดยไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แม่บ้านไม่อยู่เพื่อให้พ่อบ้านเป็นทุกข์พ่อบ้านไม่อยู่เพื่อให้แม่บ้านเป็นทุกข์พ่อแม่ไม่อยู่เพื่อให้ลูกทุกคนเป็นทุกข์ลูกก็เหมือนกันจะไม่ทาอะไรให้พ่อแม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจอะไรที่เราทำแล้วคุณแม่ไม่สบายใจคุณพ่อไม่สบายใจการกระทำนั้น เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเราอยู่กับเพื่อนก็ต้องไม่ทําอะไรให้เพื่อนเกิดเดือดเนื้อร้อนใจไม่ให้เพื่อนต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นๆเห็นว่าเพื่อนจะทําอะไรผิดพลาดเสียหายเราก็คอยแนะนําชี้แจงให้เพื่อนเกิดความสํานึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วจะเปลี่ยนสภาพชีวิตให้เข้าหาตัวสมาทิฐิคือความเห็นชอบแล้วก็มีการคิดชอบพูดชอบทําชอบ ทำการงานชอบดำรงชีวิตชอบต่อไปเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าเราคิดเราทำอย่างนั้นอยู่สม่าเสมอในชีวิตประจำวันเราคิดร้ายคิดร้ายความคิดร้ายรายมันก็ผ่อนคลายลงไปเบาไปจากจิตใจของเราเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันคือสังเกตว่าตั้งแต่เราเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าเข้าใกล้พระ มาเป็นเวลานา น, นเท่าใดแล้วสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจก็เรียกว่าเข้าวัดยังไม่ได้ผลเข้าวัดยังไม่ถึงวัดเห็นพระแต่ไม่ได้เห็นพระไม่ได้เอาพระไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้เอาพระไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่ใจของเราด้วยมาเห็นที่วัดแต่เห็นไม่ชัดเห็นแบบคนแก่ตามืดตามัว มองอะไรไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตจิตใจสิ่งนั้นจึงยังไม่เกิดประโยชน์ระศาสนาหรือธรรมะของศาสนาจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไปใช้ใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าเรานี้มีความเป็นอยู่ที่บกพร่องอะไรบ้างโดยปกติ ขออภัยอยากจะพูดว่าคนเราส่วนมากมักจะเข้าข้างความชั่วที่เรียกว่าเข้าข้างตัวนั่นแหละไอตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวแท้หรอกเป็นตัวของความชั่วแล้วเราทำอะไรอยู่เราก็เข้าข้างสิ่งนั้นไม่ค่อยจะยอมเปลี่ยนแปลง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 ช น, นะการให้ทั้งปวง